เรื่องบูรภากามของพระพุทธองค์พระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารบบูรภาก ร, รมของพระองค์ความพิสดารว่านะครไัยสาลีหรือไวยสาลีหรือเวสาลีก็เรียกเป็นเมืองมั่งคั่งผู้คนมากมาย มีเจ้าลึชวีกษัตริย์ปกครองเป็นวาระถึง 7,707 พระองค์มีปราสาทเรือนยอดสถานรื่นรมสระบกขรณีอุทยานที่ประทับก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันสมัยหนึ่งเข้ากล้าเสียหายพิษาหา ย, ยากผู้คนอดอยากเพราะความหิวมนุษย์เปรตผีปีศาจเข้าไปกินซากศพมนุษย์อันถูกทิ้งไว้ อาฮิวาตะกรโรคได้เกิดขึ้นแล้วเพราะความปฏิกูลของศพภัยสามอย่างเกิดขึ้นภัยเกิดแต่ภิกษาหาได้ยากหนึ่งภัยเกิดแต่อามนุ์หนึ่งและภัยเกิดแต่โรคหนึ่งชาวเมืองตรวจดูประเพณีทุกอย่างราชธรรมของพระราชาทั้งหลายไม่เห็นโทษอะไรอะไรจึงปรึกษากันว่าทำอย่างไรภัยจึงสงบ บางก็ให้ภลีกรรมบวงสรวงบ้างทำมงคลบ้างต่างทำพิธีหมดสิ้นแล้วก็ไม่อาจป้องกันได้บางพวกให้เชิญครูทั้งหกมีอนุภาพบางพวกให้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากผู้ทรงแสดงธรรมแก่สัพพสัตวชาวเมืองให้ไปทูลเชิญพระสัสดาขณะนั้นพระองค์เสด็จอยู่พระเวลุวันของพระเจ้าพิมพิสาร เจ้าลิชวีนามว่ามหาลิผู้บรรลุโสดาบันพร้อมด้วยปุโรหิตและชาวเมืองเตรียมบรรณาการใหญ่ส่งเจ้ามหาลิและบุตรปุโรหิตไปถวายบรรณาการกราบทูลขอพระเจ้าพิมพิสารให้ส่งพระสัสดาไปยังนครไผ่าลีพระราชาพิมพิสารไม่ส่งรับชนทั้งหลายเหล่านั้นจึงไปเข้าเฝ้าพระสัสดา พระสัสดาใคร้ครวญอยู่เมื่อสวดรัตนสูตรอาชญาจากแผ่ไปตลอดถึงแสนโกดจักรวาลในการจบพระสูตรการบรรลุธรรมจะมีแกสัตร์ย์ 84% 0พันภัยจกสงบและทรงรับถ้อยคําของชนเหล่านั้นพระสสดาสเสด็จเมืองภัยาลีพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับข่าวรับสั่งให้จัดแจงหนทางดำเนินไป ปรับพื้นที่ห้ายอ์ระหว่างกรุงราชครืดและแม่น้ำคงคาต่อกันให้เสมอจัดวิหารไว้ระหว่างโยศหนึ่งยอหนึ่งพระสะสดาสเสด็จพร้อมด้วยภิกษุห0 0ร้อพระราชาปโปรยดอกไม้ห้าสีสูงประมาณเขายกธงแผ่นผ้าและต้นกล้วยกั้นสเสวตฉัดสองคันซ้อนแด่พระสัสดาแก่ภิกษุรูปละคัน พร้อมท้งบริวารบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นโดยห้าวันสเสด็จถึงฝั่งคงคาให้สังเกตนะครับว่าพิธีกรรมต่างๆที่ดูหรูหรานั้นเป็นการกระทาด้วยศรัทธาของชาวบ้านของพระราชาไม่ได้ทำด้วยวัดหรือพระเป็นคนจัดแจงกันเองนะครับเรื่องพวกนี้เป็นกิจที่พระที่วัดไม่ควรทำ ไม่ควรเป็นคนริเริ่มแต่ชาวบ้านชาวเมืองเขาอยากทำพระก็ไม่อาจขัดได้ก็ต้องปล่อยตามศรัทธาของเขาข้อนี้จึงฝากให้คิดไว้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันมีหลายวัดที่ทำอะไรเกินคำว่าสมถะไปมากนะครับเหมือนที่สมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ประมาณว่าพระจะใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้ลองไปดูกุฏิของท่านที่ท่านอยู่จาพรรษานะครับ จะรู้เลยว่าความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตแบบสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรชาวเมืองภยัยาลีจัดการต้อนรับพระสัสดาปรับพื้นที่สามยน์ร่วงแม่น้ำคงคากับเมืองภัยาลีให้เสมอกันแล้วเตรียมสเสวตฉัดสอนสเสวตฉัดกันด้วยสเสวตฉัดเพื่อพระสัสดาสี่คันเพื่อภิกษุรูปละสองคันทาการบูชา ได้มายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วพระเจ้าพิมพิสารขนาดเรือสองลำทำพลับพลาประดับวงดอกไม้ปูลาดอาสนะสำเร็จด้วยรัตนะทุกอย่างพระราชาตามส่งเสด็จสู่น้ำเพียงพระสอคือคอเสด็จไปแล้วสิ้นโยดหนึ่งถึงแดนของเมืองไัยสาลี เจ้าลิชวีทั้งหลายต้อนรับพระสัสดาลุยน้ำเพียงพระสอเชิญเสด็จขึ้นจากเรือพอเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝั่งแม่น้ำเท่านั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนบุครลาพันษระให้ตกแล้วน้ำประมาณเพียงสสเอลไหลบ่าพัดพาซากศพทั้งปวงลงสู่แม่น้ำพื้นดินสะอาดแล้วเจ้าลิชวีนำเสด็จสามวันถึงเมืองไพศาลี เท้าสักกะเทวราชสเสด็จมาอัหมูเทวดาห้อมล้อมแล้วอมนุษย์ทั้งหลายหนีไปแล้วโดยมากเพราะเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่มาประชุมกันพระศาสดาประทับยืนที่ประตูพระนครในเวลาเย็นตรัสสั่งพระอานนทเทระเรียนรัตนสูตรทำพระปริษคือน้ำมนต์เที่ยวไประหว่างกำแพงสามชั้นในเมืองไผ่ า, าลี เอาบาศิลาของพระศาสดาตักน้ำยืนอยู่ที่ประตูพระนครแล้วระลึกถึงพระพุทธคุณพระตถาคตทั้งหมดอันได้แก่พระบารมีสามสิบทัศมหาบริจาคะห้าพุทธจริยาสามการชนะมารการแทงตลอดสัพพัญยุตยานการยังพระธรรมจักให้เป็นไปและโล ก, กุตระธรธรมทั้งเก้า เที่ยวทำน้ำมนต์พระปริริษระหว่างกำแพงสามชั้นตลอดสามยามแห่งราตรีเมื่อคำสักว่ายางกินจิเป็นต้นซึ่งเป็นท่อนที่สองของรัตนสูตรอันพระเทระกล่าวแล้วเท่านั้นน้ำที่สาดไปเบื้องบนตกลงบนกระหม่อมของอามนุษย์ทั้งหลายเมื่อกล่าวคาถาว่ายานีทะภูตานิเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวกับว่าเกล็ดเงิน พุ่งกันไปในอากาศแล้วตกลงเบื้องบนแห่งมนุษย์ผู้ป่วยทั้งหลายหายโรคในทันใดนั่นเองอามนุษย์ถูกน้ำประริดกระทบแล้วหนีออกทำลายกำแพงหนีไปพระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะทั้งภิกษุสงฆ์ทั้งหมู่เจ้าลิชวีนั่งแวดล้อมท้าวสักกะเทวราชอันหมู่เทวดาแวดล้อมแล้วประทับยืนในโอกาสสมควร พระสัสดาทรงภาสิาทธิ์รัตนสูตรณที่นั่นเองในการจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมอันได้มีแก่สัตว์ 84,000 พันแล้วพระสัสดาทรงแสดงรัตนสูตรตลอดเจ็วันภัยสงบแล้วสเสด็จออกจากเมืองภัยสาลีสู่ฝั่งคงคาโดยสามวันอีกพญานาคทั้งหลายที่แม่น้ำคงคา ทำการบูชาพระศัสดาด้วยนิรมิตเรือทองคำเงินและแก้วมณีจัดตั้งบัลลังก์ด่า ด, ด้วยดอกปทุมห้าสีทูลเชิญพระศัสดาสเสด็จฝ่ายเทวดาทั้งปวงตั้งแต่ภาคพื้นจนถึงพรหมโลกชั้นอากนิถพรมยกฉัดซ้อนฉัดของนาคและมนุษย์ต่างยกขึ้นแล้วตั้งแต่นาคภพจนถึงพรหมโลก โดยรอบจักรวาลด้วยประการชนี้ได้ยินว่าสมาคมใหญ่สามคือการที่แสดงย ม, มกะปฏิหารหนึ่งการที่เสด็จลงจากเทวโลกหนึ่งการที่ลงสู่แม่น้ำคงคานี้หนึ่งเป็นสมาคมใหญ่อันสมาคมใหญ่นี้สักการะใหญ่ได้มีแล้วด้วยการกั้นชัดระวางชัด มีแผ่นธงชัยแผ่นผ้าเครื่องสักการะพวงดอกไม้จุนเครื่องอกกระเจะจันทร์เป็นต้นเทพประบุทั้งหลายประดับเครื่องอลังการเล่นมโหรสศเป่าร้องเที่ยวไปในอากาศด้วยประการชนนี้พระเจ้าพิมพิสารรับเสด็จพระพุทธเจ้าอีกเป็นทวีคูณกว่าสักการะอันพวกเจ้าลิชวีธรรม พระศัสดาทรงนิรมิตพระพุทธนิมิตพระองค์หนึ่งหนึ่งไว้ที่เรือลำหนึ่งหนึ่งมีภิกษุองค์ละห้าร้อเป็นวริวานที่เรือนั้นๆทรงทำการอนุเคราะห์แก่นาคเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จสู่กรุงราชฤโดยห้าวันโดยในยาก่อนนั่นแหลบรรดาภิกษุทั้งหลายชื่นชมอนุภาพพระพุทธเจ้า พระศาสดาทรงตรัสว่าสักการานี้มิได้บังเกิดด้วยพุทธานุภาพอนุภาพของนาคเทวดาหรือพรมแต่เกิดด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคอันมีประมาณน้อยในอดีตทรงตรัสเล่าอดีตนิทานเรื่องสุสิ ม, มะมานกในอดีตการในเมืองตักกศิลา รามคนหนึ่งชื่อสังขะมีบุตรชื่อสุสิมะมานกขณะอายุ16ปีได้ไปเรียนมนกับสหายแห่งบิดาตนในเมืองพาราณสีเรียนได้มากและเร็วราวกับน้ำมันสีหะอันเขาเทวไว้ในภาชนะทองคำและเขาเข้าไปเรียนกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในป่าท่านแนะนำให้บวชบวชแล้วศึกษาอภิสมาจาริกวัต การนุ่งห่มเพราะความที่ตนมีอุปนิสัยสมบูรณ์ต่อการไม่นานนักก็ตรัสรู้พระปเ จ, จกโพธิเป็นเลิศด้วยลาบเลยศดท่านปรินิพานต่อการไม่นานฝ่ายสังฆพรามิดาออกตามหาพบสถูป ข, ของท่านร้องไห้กร่ำครวญไปสู่ลานพระเจดีทางยญ้ากเกลี่ยทรายทำการบูชาด้วยดอกไม้ป่า ประดับธงผูกชัดแล้วหลีกไปทรงตรัสว่าพระองค์ได้เป็นสังฆรามฎรในการนั้นผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงได้ทําหนทางแปดโยตบูชาสการะนั้นเกิดแก่เราแล้วไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งนาคเทวดาหรือพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคอันมีประมาณน้อยในอดีตการดังนี้แล ตรัสว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพยบู์สละสุขพอประมาณเสียจึงจะพบสุขอันไพยบู์ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยธรรมทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นหมายเหตุจากในหนังสือ เรื่องการสวดพระปริษธรรมนมดนี้ทำเป็นกรณีพิเศษเมื่อเกิดภัยซึ่งปรากฏว่ามีทมอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่นครไัยสาลีผลของการกระทาคือขับไล่อมนุษยักษ์พูดผีปีศาจซึ่งเป็นการทำร้ายเบียดเบียนทรงตรัสไว้ในบทโอวาทาปาติโมกว่าผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้ทาสัตว์อื่นให้ลาบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยดังนั้นจึงควรกระทากรณีที่จําเป็นเท่านั้นและแนวทางที่ดีกว่าก็คือการทำให้ศัตรูมาเป็นพวกโดยการอุทิศบุญแผ่เมตตาก่อนจะดีกว่าถ้าไม่ได้ผลจึงค่อยใช้น้ำมนต์พระปริศอันหนึ่งเรื่องนี้ได้กล่าวถึงมนุเข้าไปเรียนกับพระปัจเจกพรพุทธเจ้าในปา่า บวชแล้วศึกษาพระวินัยอภิสมาเจาริกวัตรไม่นานก็ตรัสรู้พระปัจเจกโพธิถ้าไม่รู้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สอนให้บรรลุธรรมได้เหมือนกันหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับเนื่องจากปัจจุบันมีการเข้าใจบทสวดในพระพุทธศาสนาผิดไปมากกลายเป็นคาถาของขวัง สวดแบบแปลไม่ออกไม่เข้าใจในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งที่ภายพิบัติหายไปได้สวดอยู่เจ็ดวันนั้นเขาแปลออกนะครับเขาเข้าใจว่าบทสวดนี้สวดถึงอะไรเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนไตรจิตเมื่อฟังพิจารณาน้อมไปตามบทสวดนั้นมีการโยนิโสมานาสิการเข้าถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงซึ่งจิตแบบนี้นะครับมีพลังบุญมหาศาลมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุธรรมต่อมาบุญใหญ่แห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนั้นของคนจำนวนมากในเมืองนั้นย่อมมีแรงกรรมทวีคูณขึ้นและส่งผลดีดส่งสิ่งดีดีมาให้ตามอา น, นิสงส์งของผลบุญซึ่งในพระสูตรอื่นก็มีกล่าวไว้นะครับว่าบ้านเมืองจะสงบสุขภัยพิบัติจะไม่กลํากลายผู้ปกครองและคนส่วนใหญ่ในเมืองนั้น ก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีบุญสะสมไว้เยอะพอสมควรนะครับส่วนเรื่องการทำน้ำมนต์ไปประพรมนั้นครูบาอาจารย์หลายท่านก็กล่าวแย้งว่าเป็นเรื่องของชั้นอัตถกถาแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องเข้าใจการเผยแพ่ธรรมะของพระพุทธศาสนาที่สืบต่อมายาวนานด้วยนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ซซ่งกล่าวไว้ระดับหนึ่งแล้วในตอนตอน้นย้อนไปฟังได้นะครับส่วนตัวของผู้อ่านเองมีความคิดว่าการทำน้ำมนต์ประโรมนั้นถ้าเกิดจะมีจริงก็คงไม่ได้มีเจตนาเพื่อขับไล่พูดผีปีศาจเหล่านั้นนะครับถ้าทำจริงก็น่าจะเป็นการอนุโลมเป็นการให้กําลังใจกับประชาชนในบริเวณนั้นมากกว่าเพราะว่าในโบราณนั้นการประโภมน้ำมนต์เป็นเรื่องปกติของศาสนาอื่น เมื่อชาวบ้านเกิดทุกใจเกิดภัยพิบัติได้ลายเห็นพระภิกษุผู้เพียบพร้อมไปด้วยศีลและการประพฤติตัวที่งดงามเดินมาประพรมน้ำมนต์ให้ทั่วเมือง <c oughs> ก็น่าจะยังปีติความสดชื่นในใจความรู้สึกดีขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับและในทางวิทยาศาสตร์กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ต่างอะไรกับการใช้ยาหลอกแม้แต่ในการทดลองตัวอย่างมีการใช้น้าเกลือ จิตให้กับนักโทษประหารแล้วบอกว่านี่คือยาพิษผลปรากฏคือนักโทษคนนั้นตายจริงจริงนะครับและเกิดอาการทุรนทุรายทรมานก่อนตายด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าจิตมีกำลังมากหลายศาสตร์ในโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมงคลเรื่องอะไรต่างๆล้วนเป็นกุสโลบายเพื่อดึงจิตให้มีกำลังเท่านั้นด้วยคาที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อจิตดี อะไรอะไรก็ดีขึ้นระบบภายในร่างกายก็ดีขึ้นเป็นธรรมดาหลักการพวกนี้อธิบายได้ในตามหลักจิตวิทยาปัจจุบันแล้วนะครับข้อนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของพลังจิตที่มีจริงสามารถพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วทั้งการสวดมนต์ทั้งพลังจิตจากใจที่เป็นกุศ ล, ลจิตเป็นมหากุศลจิตเมื่อพูดคิดทำหรือแม้แต่เขียนลงไปนะครับ กระแสะจิตจะไปสะสมในวัตถุบริเวณนั้นสามารถตรวจสอบได้ในเชิงลึกเช่นการกลายเป็นผลึกน้ำที่สวยงามแตกต่างจากการพูดคิดหรือเขียนด้วยจิต ท, ที่เป็นอากุศลจิตนะครับวิทยาศาสตร์ยังต้องใช้เวลาอีกมากในการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้แต่ปัจจุบันถ้าขวนขวายศึกษากันจริงก็จะพบรายงานการวิจัยมากมายจากทั่วโลกที่ทำโดยต่างชาติที่จะพิสูจน์ว่าบาปบุญมีจริง พลังจิตส่งผลต่อวัตถุสิ่งแวดล้อมและชีวิตของเราได้จริงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมทำบรรยายไว้1ิบกว่าปีแล้วนะครับมีโอกาสจะนำไฟล์บรรยายนั้นมาลงให้ดูกันอีกทีการศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาความจริงจะเชื่อจะไม่เชื่อก็ต้องอยู่ในหลักเหตุผลอย่าเชื่อแบบง ม, มงายและอย่าชิงด่วนปฏิเสธก่อนที่จะได้ศึกษาปฏิบัติ ให้เข้าถึงในระดับหนึ่งได้ก่อนด้วยนะครับ